ปัทมพุทธภาสิตคาถาธรมยังปัมพุทธภาสิตคาทาโยภนามเซอาเนกชาติสังสาร ทาวิสังอนิพิสังมเมื่อเรายัางไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอนเนกชาตข้าหาการข้าเวสันต์ตทุกขาชาติปุนปุนังสแสวแงหาอยู่ซึ่งนายช่างผู้ปลูกเรือนคือตันหาผู้สร้างภพ การเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไยข้าหากการะักะทิตโทษศีปูณัเกหังนากกหาสินี่แน่นายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้ว เจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสาพาเตพาสุกาภัขาขหากูตังวิสังคตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหาักเสียแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อเสียแล้ววิสังคาระคตังจิตตังตานหานางขยมัจฉา